ยุทธัญชยวัษ์ที่สามข้อย1็ดหน้าส7 1เจ็อดพระองค์ตรัสเล่าว่าในการเมื่อเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสัพพทัตราชนามว่ายุทธัญชัยมีบริวารยศหาประมาณไม่ได้เรานั้นสลดใจเพราะเห็นหยาดน้ำค้างอันเหือดแห้งเพราะแสงอาทิตย์เรียกว่าเห็นหยาดน้ำค้างก็พร้อมที่จะบวชได้เลยนะก็คนอยากจะบวชอยู่แล้วนะ ตอนได้ข้ออ้างาอยะด้ําค้างมันเหือดแห้งก็ได้เหตุผลสมควรบวชเราทำความเราทําความเป็นอนิจจังนั่นแลให้เป็นเบื้องหน้าปุเรกจาริกถือเบื้องหน้า พ, พ่อโพลความสังเวชเห็นหยาดน้ําค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาก็เหือดแห้งไปเราก็เห็นถึงความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตก็เลยถือเอาอนิจจังเป็นเบื้องหน้า พ, พ่อโพลสังเวช สังเวชะนะสังเวควัตถุแปดเราถวายบังคมพระมารดาและพระบิดาแล้วทูลขอบรนประชาขอบวชขอเว้นรอบจากความชั่วทางกายวาจาและใจนะเพราะการบวชการบรนประชาก็คือการเว้นจากความชั่วนะปะวชชาเนี่ยนะก็เว้นชั่วจากความความชั่วทางกายวาจาและใจมหาชนพร้อมทั้งชาวนิคมทั้งชาวจังหวัดประนมอัญชลีอ้อนวอนเรา พระบิดาก็ตรัส ก, กับเราว่าวันนี้เจ้าจงปกครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพสารเถิดลูกเมื่อมหาชนพร้อมทั้งพระราชบิดานางสนมชาวนิคมและชาวเว้นเควนร้องให้ร่ำไรควรแก่การสงสารควรแก่การเยื่อใหญ่ใช่ไหมเราไม่ห่วงใยสละไปแล้วร้องให้ขอเราก็ขอไม่ได้เหมือนกันเราสละราชสมบัติในแผ่นดินสละมูญาสละบริวารชน และยศศักดิ์ทั้งสิ้นโดยไม่คิดถึงเลยเพราะเหตุแห่งโพธิยาณ น, น, นะตัดความอาลัยตัดความรักตัดความเยื่อใย่ายพ่อในแม่ในพี่ในน้องในบริวารว่านเครือนญาติทรัพย์สินทั้งหมดเพราะโพธิยาณท่านรักโพธิยานมากกว่าท่านบอกว่าเราจะเกลียดพระมารดาเราจะเกลียดพระบิดาก็หามิได้เราจะเกลียดยศเกลียดศักดิ์ก็หามิได้ สรวว่าจะเกลียดบริวารว่านเคลือจะเกลียดทรัพย์สมบัติเกลียดทุกอย่างก็ไม่ใช่ไม่ได้รังเกียจนะแต่สัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราฉะนั้นเราจึงสละราชสมบัติชนีแลเนี่ยนะการสละทั้งหมดก็เพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้เพราะอย่าลืมว่าการตรัสรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนถ้าตรัสรู้ด้วยโสดาบันติมรักเลยยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าปิดอบายทุกขติวินบาตนรกได้หมดอ่ะยิ่งใหญ่ขนาดนั้น สกอ า, าคามีมั๊กะกลับมาสู่โลกนี้แค่ครั้งเดียวอ่ะอาาคามีมั๊กละ่ะไม่ต้องมาปฏิสนที่ในมนุษย์ในเทวดาอีกแล้วเกิดในพรหมโลกถ้ารหัตมัก๊กทําทะเลแห่งสังสารทุกข์ให้เหือดแห้งหมดเลยทีนี้ถ้าอันนี้มั๊กของคนทั่วไปถ้ามั๊กที่เป็นของพภาษาวกทั้งหลายก็มีวิชาสามปฏิสัมพิทาสี่เป็นต้นถ้าของพระอัครสาวกละ่ะท่านเหล่านั้นก็ยังช่วยกิจของพระพุทธเจ้า แล้วพระประเจกพระพุทธเจ้าแต่มรรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรคแก่ชนเหล่าอื่นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวอย่างโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ตรัสรู้ตามหาประมาณไม่ได้โลกทั้งเทวโลกก็ตรัสรูม้มรรคผลบรรลุมรรคผลตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบันนับประมาณไม่ได้ พันการตรัสรู้ของพระองค์นั้นจึงยิ่งใหญ่มากพันพระองค์จึงรักการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ตรัสรู้ตามเรื่องราวมีอยู่ว่านะมาทบทวนข้อความตามอัตถคถาว่าในกรุงพาราณสีนี้ในอุทยชาดกมีเมือง เ, อเป็นเมืองชื่อว่าสุรุนธนานาคร ส่วนในจุลสุตโสมชาดกชื่อว่าสุทสนนครโซนันธชาดกชื่อว่าพรห ม, มวัฒนนครในการการขันขันดะหะละชาดกชื่อว่าปุปภวตีนครในยุทธันชยะชาดกชื่อว่า ร, รัมนครเมืองเดียวเปลี่ยนได้หลายชื่อแต่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ชื่ อ, อยั่งยืนนะอย่างพาราณสีเอ่อพาราณสีเนี่ยในในสมัยพุ้จการมีเมืองเมืองเดียวที่ชื่อไม่เปลี่ยน วาฬาน า, นาีเนี่ยนะแขกก็ยังเรียกพาลานาซีอยู่เลยถึงทุกวันนี้แต่ถ้าเป็นเมืองอื่นๆนะเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยหมดนะนะกับนารันดานารันดาก็ยังไม่เปลี่ยนนะนะนารันทาส่วนที่อื่นนี่ก็ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนชื่อไปเกือบหมดแล้วแต่เฉพาะสองเมือง น, นี่คือนารันทากับราชคฤกนี่น่าจะเปลี่ยนไหมแต่ว่าตามตามภาษาของเขาเนี่ฟังแล้วเหมือนเปลี่ยนนะนะแล้วก็ที่ไม่เปลี่ยนอีกก็คือเนี่ย พุทธคยาก็ยังเปลี่ยนใช่อุรุเวลาเสนานิคมเป็นต้อะไรย่งยเงี้ยแบบโบคยาเขาไงโบคยาแต่ก็พาราณสีนี่ไม่เปลี่ยนยังเยวกันนั ท, ทุกวันเนี่ยในเมืองรัมมะนะครเนี่ยนะรมมะรมมะแปลว่าน่ารื่นรมเป็นเมืองที่น่ารื่นรมอย่างบุรีรัมย์ก็เมืองที่น่ารื่นรมมากอย่างที่ท่านกล่าวว่าราชบุตรพระราชบุตรเป็นโอรสของพระราชาพระราชามีชื่อว่า สัพพัทตะในรำมามะนะครสัพพัทตะนี่แปลว่าอะไรให้ทุกสิ่งนะแปลโดยศัพท์แล้วว่าพระราชาผู้ให้ทุกอย่างให้ไม่เหลือพระราชาพระองค์นั้นมีพระโอรสหนึ่งพันองค์โอ้ให้คนมาเป็นเมเหสีเยอะเลยนเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เป็นพระโอรสองค์ใหญ่เป็นลูกชายคนโตที่สุดเนี่ยนะพระราชาพระราชาทานตําแหน่งอุปราชให้พระโอรสนั้นก็ทรงให้มหาทานทุกทุกวัน ตามนัยยะดังกล่าวแล้วในหนหลังเช่นกับอะไรเนมิราชาดกเป็นต้นเนี่ยนะก็คือให้ทานมากอย่างน้อยก็ให้ทานวันละหกแสนที่ไหนประตูเมืองสี่แห่งกลางเมืองอีกแห่งหนึ่งแล้วก็หน้าพระราชฐานอีกแห่งหนึ่งเ <i> มื่อการผ่านไปอย่างนี้วันหนึ่งพระโพธิสัตว์ขึ้นประทับรถอันประเสริฐแต่เช้าตรูเสด็จประพาสพระราชอุทยานด้วยสมบัติอันเป็นสิริใหญ่ทอดพระเนตรเห็นหยาิน้ําค้าง ที่ค้างอยู่บนยอดไม้ที่ค้างอยู่บนยอดหญ้าปลายกิ่งและใยแมลงมุมเป็นต้นมีลักษณะเหมือนไข่แก้วมุกดาพอพระองค์มองเห็นก็ถามพวกสารทีคนขับรถว่านั่นอะไรพระองค์ก็ได้ฟังว่านั่นคือหยาดน้ําค้างที่ตกในเวลามีหิมะพระองค์ก็ทรงเพลิดเพลินอยู่ณพระราชวิทยานตอนกลางวันเนี่ยนะก็คือเที่ยวทั้งวันมีความสุขมากคือทั้งวันตกตอนเย็นก็เสด็จกลับ พระองค์ไม่ทรงเห็นหยาดน้ําค้างเหล่านั้นก็ถามพวกสารธีว่าดูก่อนสารธีหยาดน้ําค้างเหล่านั้นหายไปไหนหมดเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นหยาดน้ําค้างเหล่านั้นพระองค์ได้ทรงสดับว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นหยาดน้ําค้างทั้งหมดก็สลายไปอันนี้ถือว่าเป็นปกติใช่ไ้มหยาดน้ำค้างบนยอดยา่าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาก็ย่อมเหือดแห้งหายไปพระองค์ก็คิดว่า หยาดน้ำค้างเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็สลายไปฉันใดคนมีปัญญาก็คือมีปัญญานะพิจารณาว่าแม้สังขารคือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ฉันเช่นนั้นเช่นกับหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าสังขารคือชีวิตเนี่ยนะก็ชีวิตตัวนี้แหละเป็นเหตุให้บัญญัติโวหารว่าเป็นสัตว์นั้นคำว่าสัตว์นั้นก็คือ เป็นอะไรเป็นโวหารที่ไว้เรียกกันเพราะอาศัยการประชุมพร้อมแห่งสัพพะสังขารเช่นชีวิตดินสีเป็นต้ น, นสังขารคือชีวิตดินสีของสัตว์ทั้งหลายจะต่างอะไรกับหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยเราจะว่ากันยงไงเหลือกันไหมถึงหรือนารื่งเืองะอีกร้อยปีข้างหน้ารงเรืองอายุร6 0กกว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะ ถ้าอีกร้อยปีก็อยาดน้ำค้างแ น, น, น่นอนเลยนะเชื่อหยาิน้าค้างบนยอดหญ้าของเราตอนนี้ก็เหมือนกับอยู่บนยอดหญ้าใช่เดี๋ยวพญามัจจุราชมาก็เหือดแห้งหายไปพระองค์ก็มาคี้ต่อไปว่าเรายังไม่ถูกพยาธิความเจ็บไข้ยังไม่ถูกชราความแก่คร่ำคร้าและมรณะเบียดเบียนควรทูลลาพระมารดาพระบิดาออกบวช พระองค์ก็ทำหยาติน้ําค้างนั้นให้เป็นอารามณปัจจัยนะให้เป็นอารมณ์ใครครวรทุกมองทุกอย่างนึกถึงหยาิน้ําค้างหมดเลยมองเห็นทุกอย่างคิดถึงหยาิน้ําค้างได้หมดเห็นพบทั้งสามเหมือนถูกไฟไหม้ นะจริงๆไม่ใช่เหมือนน่ยมันถูกไฟไหม้จริงๆอะไรไฟ11กองแผดเผาอยู่ไฟคือชาติไฟคือชราไฟคือมรณะไฟคือโซกกาไฟคือปริเทวะไฟคือทุกไฟคือโทมนัสไฟคืออุปาญาตเป็นไฟที่ลุกลามเพราะราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแผดเผามันเมื่อเห็นอ่ะพบทั้งสามเนี่ยถูกไฟไหม้อย่างนั้นเห็นแล้วว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย เมือนหยาดน้ำค้างบนยอดอยอาทุกๆชีวิตเนี่ยถูกไฟ11บอกองเผากลุ่มรุมอยู่คิดแล้วว่าเราจะต้องก่อนที่จะป่วยก่อนที่จะแก่และก่อนที่จะตายเราต้องบวชแน่นอนเนี่ยนะต้องบวชต้องเจริญส ม, มณะธรรมแน่นอนพระองค์ก็เสด็จมายัางตำหนักของพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระบิดาซึ่งประทับอยู่ณรงวินิจฉัยซึ่งตกแต่งเป็นอย่างดีถวายบังคม พระเจ้าคือพ่อนะพัชชนกประทับยืนอยู่ข้างหนึ่งแล้วทูลขอบวช ด, ดังที่พระองค์ตรัสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าเรานี้สลดใจเพราะเห็นหยาดน้าค้างเหือดแห้งไปเพราะแสงของดวงอาทิตย์เราทำความไม่เที่ยงของหยาดน้าค้างนั้นให้เป็นเบื้องหน้าปุเรกจาริกคือเที่ยวไปนาหน้าหมายคำว่ามองเห็นสังขารทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้า Occurs, คือหยาดน้ hmm. ํา <maintenant> ค um. <Halloween. S 2> ้างบนยอดหญ้าพ <ulates> ั้นสิ่งที่เราแสวงหาก็คือหาอะไรหาหยาดน้ําค้างนะหาชีวิตก็คือไปหาหยาดน้าค้างของเราก็คือตัวหยาดน้ําค้างที่เดินได้ก็เดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปเพื่อความสลายเอ้าวหยาดน้าค้างไปนะก็สลายฉันใดชีวิตของเราทั้งหลายก็เจอแดดเจอหนาวเจอลมเจอฝนเดี๋ยวก็สลายเนี่ยนะแล้วก็สลายเพราะคําว่ารูปรูปก็แปลว่า สลายไปมันมองเห็นสังขารทั้งหมดสังขารทุกชนิดเพื่อความสลายเห็นความสลายนำหน้าหมดเลยพอกพูนความสังเวชเราถวายบังคมทูลลาขอบันปชาอธิบายว่าเพราะทรงเห็นหยาดน้ำค้างเหือดแห้งคือเพราะทรงแลดูหยาดน้ำค้างที่ค้างบนยอดไม้เป็นต้นก่อนที่ก่อนที่ปรากฏอยู่ ครั้นมาต้องถูกต้องรัศมีของดวงอาทิตย์ก็เหือดแห้งหายไปด้วยปัญญาจากสุปัญญาจากสุปกติปัญญาจากสุรู้อะไรรู้อริยสัจอันนี้ก็คือเห็นสังขตะธรรมเห็นสังขารธรรมที่เป็นทุกขสัตว์ว่าทุกขสัตว์นั้นวิปริณะเนี่ยนะคือการที่จะเห็นแทงตลอดอัฏฐะแห่งอริยสัจทั้ง16อัฏฐนั้นไม่ใช่เป็นของง่ายค่อยๆเพิ่มพูนเก็บส ต, ติเก็บข้อมูลทีละอย่าง สองอย่างสร้างความสังเวชสร้างความสลดใจแต่ละอย่างทีละอย่างสองอย่างเพิ่มพูนไปเรื่อยๆจนได้ตรัสรู้นี่นะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในชาตินี้ก็เห็นความไม่เที่ยงของสังขารด้วยปัญญาจักษุบทว่าสังวิชิงคือทรงถึงความสลดพระไถยด้วยทรงมนาสิการถึงความไม่เที่ยงว่าอยาดน้ำค้างเหล่านี้ฉันใด แม้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉะ น, นั้นมีสภาพแตกสลายไปอย่างรวดเร็วหลักการพิจารณาเห็นความแตกสลายของชีวิตเนี่ยนะมองเห็นนึกถึงใครก็นึกถึงหยาดน้ําค้างควบคู่ไปเสมอคือคนที่มีปัญญา GA นั้นเขาน้อมไปอย่างนี้เห็นชีวิตของใครก็ระลึกถึ ง, งหยาดน้ําค้างเห็นหยาดน้ําค้างก็ระลึกถึงชีวิตของสัพพะสัตว์ทั้งหลายเห็นชีวิตของสัรพะสัตว์ทั้งหลายก็น้อมมาเปรียบกับหยาดน้าค้าง ฟังอย่างนี้เราก็คงพอจะมองเห็นทิศทางของการเจริญบ้างแล้วนะเ อ, เอ้เมื่อชีวิตมันไม่เที่ยงทําไงดีก็อย่าลืมว่าอะไรนะถึงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างไรก็ช่างเธอถ้าไม่บรรลุอรยิยมรรคก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มพูนคืออรยิยมรรคนั่นเอง บทว่าตันเยวาที่ปติงกตวาสังเวคฆะมนุพลหญิงคือพระโพธิสัตว์ทรงกระทาความไม่เที่ยงของหยาดน้ำค้างนั้นเองให้เป็นใหญ่เอาหยาดน้ำค้างเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นปุเรกจาริกเนี่ยนะสังเกตดู ว, ว, วิธีเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะท่านก็คิดว่าเอาหยาดน้ำค้างนี่แหละเป็นใหญ่เป็นอุทาหอที่ยิ่งใหญ่มากเป็นประธานคือ ประธานก็คือหมายว่าสูงที่สุดของสิ่งนั้นๆ เ, เป็นหัวหน้าหัวหน้าก็คือนำหน้าหมดทุกเรื่องแล้วก็ปูเรกจาริกเที่ยวไปโดยใช้ชีวิตทั้งหมดเปรียบมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นดาเนินไปเหมือนกับหยาดน้าค้างพระองค์ก็ทรงมนัสการถึงความที่สังขารทั้งปวงมีเวลานิดหน่อยตั้งอยู่ไม่นานพระองค์ก็พอกพูนความสังเวชอันเกิดขึ้นครั้งเดียวด้วยให้เกิดขึ้นบ่อย บางคนเนี่ยนะสังเวชแล้วก็สังเวชครั้งเดียวก็พอแล้วใช่ไหมเคยสลดใจไหมเคยเคยเจริญความสลดใจไหมบอกไม่เคยเนี่ยนะคือไม่คิดว่าการสลดใจนี่เป็นทรัพย์ไม่คิดว่าความสลดใจนี่เป็นเหตุของความเพียรไม่คิดว่าความสลดใจเป็นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลก็เลยไม่คิดให้สังเวทกลัมากพี่จ๋าสังเวทใช่ไหมไม่อยากเห็นอะไรที่เป็นเหตุใกล้ของสังเ ว, วก็วัตถุเพ้นจะต้องไปดูในสิ่งที่ไม่ สังเวทเนี่ยนะปกปิดความสังเวทโดยประการทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายจะได้ไม่สังเวทนั้นสมัยใหม่เนี่ยนะเวลาตายจึงมีพวงรีไปหมดเลยนะหลายคนหมากแม่ถ้าเราตายก็อยากจะนอนลงแบบนี้บ้างมีไฟประดับขนาดนี้บ้างเป็นต้นทําให้พาเลยไม่กลัวตายไปส่งอีกต้องจัดงานศบชั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเลยไม่สังเวทเลยนะ มองยังกับวิมานใช่ได้อยู่วิมานกับตอนหลังตายนี่แหละตอนตายนี่แหละบางมันบางคนก็เลยมองว่าความตายนี่เหมือนกับดีเนี่ยมันก็ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาเจริญความสังเวชมองเห็นทุกอย่างแล้วก็พอกพูนความสังเวชเห็นอะไรก็ตามต้องพ่อพูนความสังเวชคนที่เจริญกุศลได้มากได้ยาวและต่อเนื่องคือคนที่สร้างความสังเวชเกิดในใจได้มองทุกอย่างและสังเวชได้ นนะเห็นดีก็สังเวชเห็นไม่ดีก็สังเวชเห็นน้ำค้างอย่างสังเวชได้จากลาวไปใหญ่ถึงเห็นอย่างอื่นเล่าเนี่ยนะนีงก็แม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะเขามาเนี่เดินเหยียบน้ำค้างเนี่ยปีหนึ่งเนะี่ยเป็นร้อยครั้งอะ่ะเขามาเดินเหยียบน้ำค้างเนี่ยนะตั้งแต่เกิดมาไม่ต่ากว่าพันครั้งก็เฉยๆอ่ะนะก็ไม่ได้ฟังสูตรนี้เองเลยไม่นึกกันนะเดี๋ยวต่อไปจะไปนึกบ้งเดินเหยียบน้ำค้างหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้านะจะได้นึกยนะังไง ทันต่อไปเห็นหยาิน้ําค้างเห็นหยาดอะไรก็นึกถึงเธอชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นกันสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อย่นย่อลงมาก็เหลือเท่านี้แล้วเนี่ยคือชีวิตนั้นวิธีคิดนั้นต้องคิดย่อเป็นและขยายเป็นต้องมองเครียกว่าขยายได้ย่อได้ย่อร้อยปีมาเหมือนกับหยาิน้ําค้างบนยอดหญาถ้าขยายออกมาชีวิตก็คือประมาณไม่เกินร้อยปีก็อยู่แค่นี้ย่อขยายย่อขยายย่อจะย่อหรืออยากขยายก็คืออนิจจาอนิจังนั่นแหละ บทว่าปรับพัชมนุยาจะยาจะหังเราคิดว่าผู้ที่ถูกความเจ็บป่วยถูกความแก่ถูกความตายยังไม่ครอบงำหมายว่ายังไม่ป่วยยังไม่แก่ยังไม่ตายในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอันไม่ตั้งอยู่นานดุดหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าควรที่จะบวชแสวงหามหานิพพานอันเป็นอมะตะก่อนที่จะตายควรแสวงหาธรรมที่ไม่ตาย พระนิพพานที่เป็นอมตะนั้นไม่ป่วยไม่แก่และไม่ตายเหล่านี้ท่านคิดนะท่านท่านมองออกสัจจะท่านมองออกนะวัตตากับวิวัตะด้วยอํานาจของปัญญาท่านคํานวณระหว่างวัตตากับวิวัตะได้ท่านจึงรู้ว่าการตามเพลิดเพลินสังขารคือการเพิ่มพูนวัตต์ท่านจะต้องสแสวงหาให้พบวิวัตะทีนี้การที่จะพบวิวัตะคือพระนิพพานจะต้องอรยิยมรรคเพราะผู้ปรารถนานิพพานจําต้องสแสวงหา อริยมรรคเพาะนจะสแสวงหาอริยมรรคนั้นอย่างไรนะน่ะนก็ได้เขาเรียกว่าได้แต่โจทย์ใหญ่ๆได้แต่โจทย์ใหญ่ๆที่มองเห็นช่องทางทิศ ท, ทางแล้วหละ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะก็ต้องไปบวชก่อนนะบวชแล้วค่อยคิดหาสแสวงหาแม้กระทั่งชาติสุดท้ายเนี่ยนะที่บอกว่าเราสแสวงหาสันติวรบทคือบทประเสริฐอันไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าแล้วก็สแสวงหาอริยมรรคเนี่ยนะว่าอะไรคือกุศล ก็เที่ยวแสวงหามันก็ต้องอาศัยการบวชมันก็เลยเข้าไปเฝ้าพระมารดาพระบิดาถวายบังคมแล้วก็ทูลขอบวชว่าขอพระมารดาพระบิดาจงทรงอนุญาตให้หม่อมชันบวชเถิดเมื่อพระมหาสัตว์ทูลขออนุญาตบวชอย่างนี้แล้วก็ได้เกิดโกลาหลใหญ่ทั่วพระนครว่าได้ยินว่าอุปราชยุทันชัยมีพระประสงค์จะพนวดเรียก ว, ว่าคนที่จะครองราชต่อไปนี่จะบวชแล้ว สมัยนั้นชาวแคว้นกาศีมาเพื่อจะเข้าเฝ้าพระราชาก็เข้าไปในรัมมานะคนครทั้งหมดนั้นก็ประชุมกันพระราชาพร้อมด้วยบริวารชา ว, ชาวนิคมชาวชนบทพระมารดาและพระเทวีที่จริงท่านมีเมียแล้วนน่ทุกคนทั้งหมดของพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปเฝ้าพวกนางสนมก็พากันทูลห้ามพระโพธิสัตว์ว่า ค้าแต่พระกุมารอย่าทรงบวชเลยเนี่ยนะจริงๆอ่ะคือสรุปว่าจริงๆขอเยอะวันนี้เยอะเนี่ยนะแต่ว่าสรุปสาระของคำขอทั้งหมดไม่ต้องบวชหรอกมาเัินบรรดาชนเหล่านั้นพ่อเนียื่นข้อเสนอให้เลยตราชาตรัสว่าหากการทั้งหลายของลูกยังพร่องอยู่พ่อจะเพิ่มให้วันนี้ขอให้ลูกครองราชสมบัติเถิด ก็เหมือนกับว่าอะไรนะพนักงานมาลาออกกับพนักงานดีเลือกเกินเนี่ยนะว่าโอ้ยเพิ่มเงินเดือนให้อะไรนลักษณะแบบนี้นี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวพ่อจะเพิ่มให้พ่อจะเพิ่มให้พระโพธิสัตว์เมื่อจะทูลถึงความพอพอพระไทัยในการบวชคือใจมุ่งจากการบวชอย่างเดียวแต่จริงๆเนื่องจากการบวชอันนี้เนี่ยเกิดจากการสมาทานมาในอดีตว่าทุกชาติที่เราเกิดต้องน้อมไปเพื่อการบวชเนี่ยนะต้องน้อมไปเพื่อการบวชโดยส่วนเดียว พันรองก็เล่าให้พระบิดาฟังว่าข้าแต่พระบิดาผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้นขอพระบิดาอย่าทรงห้ามลูกเลยโปรดอย่าห้ามเถอะว่างั้นลูกนี้สมบูรณ์ด้วยกามทุกอย่างอยู่แล้วลก็คือไม่ได้บกพร่องในเรื่องนี้หรอก น, นกแก้วแว้นเงินทองรูปเสียงกลิ่นรสโภตาภาสิ่งใดที่เป็นสมบัติของมนุษย์บัตดนี้ลูกสมบูรณ์ครบถ้วนหมดแล้ว อย่าตกอยู่ในอำนาจของชาราเลยอย่าให้ลูกต้องแก่กว่านี้อีกเลยแล้วค่อยบวชเนี่ยนะบางทีก็เขาอ้ อ, อนอ้ อ, อนวอนอันหนึ่งก็คือกลวยแก่ก่อนแล้วค่อยบวชโอ้ยตอนนี้เรามันดีที่สุดแล้วถ้ารอให้แก่ก่อนจะไปทําอะไรได้เนี่ยนะพูดอย่างนี้ลุงเริงไว้ต้องน้อยใจหรอก <c oughs> ยังไงก็ได้บวชอยูอะตุลาชีสกิจการเนพระมารด า, พ ร, ดาพร้อมด้วยพวกสนมก็คร่ำครวญอยู่อย่างน่าสงสารนะนะก็ร้องให้รำพันกันอยู่นั่นแหละ พระองค์ก็เล่าให้ฟังว่าอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกับหยาดน้าค้างบนยอดหญ้าพอดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็เหือดแห้งไปข้าแต่พระมารดาขอพระมารดาอย่าห้ามลูกเลยเนี่ยอย่าห้ามเถอะห้ามไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนเนี่ยเพราะชีวิตเหมือนกับหยาดน้ําค้างแม้เมื่อพระมารดาพระบิดาห้ามอยู่ก็ไม่ได้มีพระไทยท้อถอย เพราะอะไรเพราะความสังเวชเนี่ยนะมันมันมันรุนแรงมากแล้วก็พ่อพูนคิดถึงคือสร้างสร้างให้อะไรกันอะไรนะเกลียดกล่อมตัวเองให้สังเวชอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เกลี้ยกล่อมให้ให้ให้คลายความสังเวชนะมีแต่เพิ่มมาเพิ่มความสังเวชอยู่ตลอดเวลามันเมื่อสังเวชอยู่ตลอดเวลาแบบนี้จะเอาอะไรจะต้องการอะไรล่ะ มีได้มีพระไทยห่วงใยในพระประยุรญาติโใหญ่อันเป็นที่รักจริงๆก็ท่านก็ไม่เคยรังเกียจพระญาติเหล่านี้เลยนะปกติก็ใช้ชีวิตด้วยความรักความผูกพันกันอย่างสุดซึ้งแหละแต่ว่าไอความสังเวชใจอันนั้นที่เกิดขึ้นมาเจริญแล้วก็อุปนิสัยความเป็นนักบวชอุปนิสัยที่จะเห็นโทษในวัตฏะที่สั่งสมมานานทั้งรักทั้งผูกพันยังไงก็ช่างเถอะก็เลยสละญาติและราชสมบัติ อิสริยยศอันอุรันบวชแล้วในที่สุดก็บวชจนได้มหาชนพร้อมทั้งชาวนิคมชาวเว่นแควน้นปนมอัญชลีอ้อนวนเราพระบิดาก็ตรัสกับเราว่าวันนี้ลูกจงปกครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพสานเถิดเมื่อมหาชนพร้อมทั้งพระบิดานางสนมชาวนิคมและชาวเว่นแควน้นร้องให้พร่ำควรอย่างน่าสงสารเราไม่ห่วงใยสละไปแล้ว อธิบายว่าบทว่าสเสนคมาสรัธกาคือราชบุรุษทั้งปวงพร้อมทั้งชาวนิคมชาวเว่นแคว้นพากันอน้อนวอนเราว่าข่าแต่เทวขอพระองค์อย่าทรงขนวดเลยพระมารดาและพระบิดาก็ยังตรัสอีกว่าลูกจงครองราชสมบัติในวันนี้เถิดเนี่ยนะแต่งตั้งทันทีเลยนะกลัวมากกลัวลูกจะบวช เพราะฉะนั้นรูปจงปกครองแผ่นดินอันใหญ่นี้อันกว้างใหญ่ด้วยความเจริญยิ่งของชาวนิคมและราชธานีและถึงด้วยความภัยบุญภยัยอันภัยสารด้วยความสมบูรณ์ไปด้วยรัพบะนะรัพย์สารหมายค่าว่าทรัพบเนี่ยมีเยอะมากด้วยความงอกงามแห่งพืชพันุ์มีข้าวกล้าเป็นต้นหมายค่าว่าแก้วแหวนเงินทองก็เพียบพร้อมบริบูรณ์บ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองที่สมบูรณ์อุ ด, ดมไปด้วยข้าวกล้าธัญญาหาร พระมารดาพระบิดารับสั่งให้ยกสเสวตฉัดแล้วก็ขอร้องแ ล, แล้วก็แต่งตั้งจริงๆนะจะแต่งตั้งจริงๆขอร้องว่าลูกจงครองราชสมบัติเถิดเมื่อมหาชนพร้อมด้วยพระราชานางสนมชาวนิคมชาวเว่นแควนร้องให้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารปกตินี่ใจอ่อนนะใช่ขอร้องกันขนาดนี้น้ําตาร่วงทนานนี้ก็ใจอ่อนอ่อนอกอ่นใจเลยนะหมดเรี่ยวหมดแรงโดยอาการที่ความกรุณาอันใหญ่นั้นย่อมมีแม้แก่แต่ผู้ฟัง ไม่ต้องพูดถึงผู้ที่เห็นเขาบอกว่าไอเสียงร้องให้คร่ำครวญของพ่อของแม่ของสนมของชาวนิคมชนบทขนาดคนได้ยินยังยังสะเทือนใจอย่างมากเลยนะจะกล่าวไปยายใครที่ไปเห็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะแต่เราก็ไม่ห่วงใหญ่ไม่เกาะเกี่ยวในบุคคลเหล่านั้นคือคนที่คิดเรื่องตายมากๆเนี่ยนะมัน อะไรนะคนที่คิดเรื่องตาย ม, มากๆเขาคิดยังไงไม่จากวันนี้แล้ววันหลังก็จากอยู่ดีมันก็จากวันนี้ให้มันเรียบร้อยไปเลยนะจากตอนนี้ยังมีสติสัมปชัญญะดีกว่าตากจากตอนละเมอเพลอะครั่งถ้าจากตอนมีสติสัมปชัญญะเพื่อจะไปเจริญบุญกุศลสุขคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแต่จากในวันที่ไม่อยากจะจากไปไหนก็ไปไปไหนดีถ้าทําบุญก็ยังชั่วนะกลับมาเป็นลูกเป็นหลานวนวนัวนกันอยู่นั่นแหละแต่ถ้าไม่มีบุญละคะเนี่ย มาเกิดเป็นอะไรเฝ้าบ้านให้เกิดเป็นสุนัขหมูหมากาไกา่อยู่แถวๆนั้นหลยจะไปอะไรได้เนี่ยนะหรือไม่ต่ากว่า น, นั้นอีกเกิดเป็นอะไรเป็นมดเป็นปลวกอยู่แถวนั้นจะทํำยังไงน้ะเนี่ยนะห่วงคนใดมาก ไ, ไปเกิดเป็นเห็บเป็นเหาอยู่แถวนั้นจะว่าไงกันนี่ยุ่งเลยนั้นก็เลยสรุปว่าโอ้ยเราก็จากวันนี้จะดีกว่าที่จะคอยจะถึงวันนั้นแล้วค่อยจากใช่ไหมจากวันนี้เรียกว่าจากแบบผู้ชนะจากวันนั้นจากแบบผู้พ่ายแพ้ตกลงเอาวันไหนดี เอเธอพอ ม, มาพูดอย่างนี้ก็มีใครบวช ด, ด้วยเรารอทำไมพูดไปอย่างนั้นแหละเพื่อสันเสริมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรงเรื่องก็กําหนดวันศึ ก, กยังไม่บวชนั่นแหละเ <c oughs> พราะด้วยความการุณาเนี่ยนะนะบอกว่าเรานี่ไม่ห่วงใหยไม่เกาะเกี่ยวในบุคคลนั้นนั้นแล้วก็บวชในการนั้นนั่นเองด้วยประการชนี้ก็บวชเลยเนี่ยนะสละร่างกายสละชีวิตเนี่ยนะนะ ไม่ห่วงใหยไม่อาไลอาวรนแต่ก็ทบทวนให้ดีเสมอนะไม่จากวันนี้พรุวันหลังมันก็จากวันยังคํานั่นเลยนะเหมือนกับว่าห่วงใหยกันมากเหลือเกินนะจากไม่ได้ก็เห็นก็ลาไม่เห็นใครมาลาตายสักคนเนยนะเราได้เวลาลาตายที่บวชแล้วโอ้ยทํายัังกบอะไรอาวอนกันจะเป็นจะตายให้ได้จะตายไปแล้วก็เห็นแล้วกันไปก็เอาไปเผากันเรียบนะนะั่นแหละ คนนี่แปลกนะถ้าจากไปทําบุญสร้างคุณงามความดีมันไม่ได้มันมีเหตุผลฉุดรั้งอย่าเลยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะแต่ตายแล้วก็มกไม่ต้องไปอ้อนว อ, อนกับใครใช่ไหมอ้าวมันก็ตายไปแล้วนะจากตายได้แต่จากไปสร้างคุณงามความดีไปเจริญบุญกุศลก็ไม่ได้พ้าบ้านหลายคนนี่ก็บน่นโอ้ยนะครอบครัวเขาไม่มีคนเลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้เอ๊ะพอตายนั่นเขาก็อยู่ดีมีสุขกันอยู่ดีเขายิ้มแย้มแจ่มใสก็เห็นว่าร้องไห้ฟูมงฝักเช้าเย็นเชา้าเย็นที่ไหน โ, โ, โ, โ, โ, โหลกอะไรนะสําคัญต น, นไปเองว่า ขาดเราแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้เนียนะจริงๆแล้วบางทีเขาอาจจะดีใจได้ซ้ําไปว่ามั้มีความสุขจะตายไปเขาแบานั้น <c oughs> สรุปนะพระองค์ก็ตัดว่าเรานั้นละศิริราชสมบัติเช่นจั ก, กรพรรดิสมบัติคือจริงๆถ้าท่านอยู่ก็ก็จะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิอยู่แล้วละ่ะพระประยูรญาติอันเป็นที่รักสละหมดเลยนะสละราชสมบัติสละพระประยูรญาติเป็นแล้วก็ญาติแต่ละคนก็ไม่ได้เกลียดนะไม่ได้ทะเลาะ อ, อะไรกัน พราะทุกคนเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่พอใจซึ่งกันและกันไม่หวงใหญ่สละบริวารชนคืออํานาจนี่ไม่ใช่ว่าจะลดลงกันง่ายๆนะเขาบอกว่าคนที่มียศมีบริวารเยอะๆเนี่ยนะแม้วันกเกษียณนี่เป็นวันเศร้ามากเลยเงาห่วงกันพราอะไรเคยมีอํานาจแล้วไม่มีอํานาจเป็นต้นเนี่ยเขเป็นวันที่เศร้าเลยนะบางคนนี่กเกษียณเร็วเกษียณเกษียณเสร็จก็ตายเร็วก็ราเงามา ก, ก น, นะ ยังแอบแต่งตัวเหมือนเดิมอยู่เลยนะแอบแต่งตัวทรงกระจกถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาเดินหน้ากระจกแล้วก็ถอดเก็บไว้เนี่ยนะบางคนในขนาดนั้นมันเคยมียศเคยมีอํานาจเนี่ยพอมันไม่มีเข้ามันก็โหยหาเพราะในบริวารนี่สำคัญมากคนล้อมหนะ้าล้อมหลังอย่างสมัยใหม่ก็เลยถอกเกษียณจากอายุราชการแล้วก็สแสวงหาอํานาจทางการเมืองเพื่อจะได้มียศมีอํานาจมีบริวารตามเดิมทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ต้องการแก้แหวนแล้วละ่ะ แต่ว่าต้องการอำนาจต้องการคนยอมรับต้องการคนนับถือแต่นี้ก็ไม่ไม่สละทั้งราชสมบัติคือถามว่าทําไมท่านจึงสละจึงสละโภกทระซับเหล่านี้ได้สละบริวารสละสิ่งเหล่านี้ได้คือท่านมีเป้าหมายชัดเจนต้องการสแสวงหาอริยทรัพย์เนี่ยนะก็คือต้องการสแสวงหาอริยทรัพย์ต้องการเพิ่มพูนศรัทธาต้องการเพิ่มพูนศีลเป็นต้นเนี่ยนะ คือชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนถึงเนี่ยมาได้ตำแหน่งอุปราชมีอะไรที่มันเกื้อกูลต่อโพธิญาณบาัณฑ์เทียบไปแล้วถ้าเปรียบเทียบกับการบวชเนี่ยนะมันก็เห็นว่าการบวชนี่เป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้ายังอยู่อย่างนั้นก็เฝ้าวัตตะกันเพียงแต่ว่าอะไรนะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าคนคุกเท่านั้นเองผนการเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต่างอะไรกันก็ตัวเองก็จะถูกประหารเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่เห็นว่าพระราชาพระองค์ไหนไม่ถูกประหาร ก็แต่ว่าอาจจะประหารแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะบางบางพระองค์ก็แบบทรหดนะก็ศึกษาประวัติศาสตร์ดูจะรู้ดีว่าพระราชาทุกพระองค์ก็ในที่สุดก็มันของใครล่ะอดีตเคยเป็นชื่อเมืองนั้น อ, าาอดีตที่แล้วตรงนี้เคยชื่อเมืองนี้มีใครเหลือมั้งตรงนี้เนี่ยถ้าเรานั่งแระลึกชาติได้เนี่ยจะรู้ว่าผ่านมากี่องค์แล้วทุกแห่งที่เราโครจรไปเนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์มา คนตายไปมากกว่าคนที่กลำลังอยู่เป็นนี้เนี่ยนะตายไปแล้วมากมายไม่เหลือพันก่อนที่จะจากแบบตายก็จากแบบอะไรนะจากแบบได้บุญจากได้แบบได้คุณงามความดีได้เหตุแห่งการบรรลุมรรคผลต่อไปพระองค์ก็สละหมดเลยนะสละทั้งราชสมบัติสละทั้งประยญาที่ที่เป็นญาติที่ช่วยเหลือทุกอย่างสละบริวารทั้งหมดสละยศใหญ่ที่ชาวโลกเพ่งเล็งกันได้ ทุกคนเนี่ยนะทุ่มเทพเพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นที่เดินจากของผู้สแสวงหาความพ้นทุกเนี่ยน ะ, ะผู้สแสวงหาความดับทุกจริงๆก็จากสิ่งเหล่านี้แต่คนที่สแสวงหาสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงนะโอ้ยอำนาจเหล่านี้เนี่ยร้องให้น้าตาไหลเนี่ยนะเคยเห็นคนยิ่งใหญ่ถูกถอดอำนาจไหยน้ำตาไหลหน้าบวมเลยนะเสียใจมากนะนะ้าตาผู้ชายกระเด็นออกมาเลยนะ ปกตินี้แข็งแรงมากเลยนะพอแม้พอไรยศไรอำนาจเนี่ยน้ำตาร่วงแผลเลยแหละสรุปว่าเราสละราชสมบัติในแผ่นดินสละมูญาตสละบริวารชนสละยศศักดิ์ทั้งสิน้นม่ได้คิดถึงเลยก็เพราะเหตุแห่งโพธิยานคือรู้นะว่าถ้าอยู่เนี่ยมันจะได้โพธิยานไหมถ้าสละละ่ะคื อ, คอท่านเกิดการไข้ ค, ควนหมดแล้วเหมือนกับว่าการที่เราจะจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เหมือนว่าการย้ายบ้านก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายใช่ไหมการย้ายบ้านสแสดงว่าการย้ายไปจากที่เลวเพื่อไปสู่ที่ดีไม่ใช่ถูกกับสายไล่ส่งนะการย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งก็สแสดงว่าดีกว่าอย่างหลายหคนเนี่ยทไมเราจากชนบทมาอยู่ในเมืองล่ะบางหลายคนเนี่ยเป็นชาวชนบทมาก่อนทำไมจึงย้ายมาอยู่ในเมืองเพราะเห็นว่าเมืองนั้นดีกว่าชนบททีนี้ทาไมคนย้ายจากเมืองไปอยู่ในป่าล่ะ ก็แสดงว่าเห็นคุณประโยชน์ของกว่าการอยู่ในเมืองอย่างพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่าในบ้านในเมืองท่านก็ถึงที่สุดแล้วละ่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็จากไปอยู่ในป่าจากเพื่อไปอะไรไปสแสวงหาสิ่งที่มันดีกว่าอยู่ในเมืองนั่นนะอันนั้นก็คืออะไรคือเหตุแห่งโพธิญาณแสวงหาเหตุแห่งโพธิญาณแสวงหาเหตุแห่งการตรัสรู้เนี่ยนะสรุปว่าเราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็าหาไม่ได้เราจะเกลียดยศเกลียดศัก์ อันยิ่งใหญ่ก็หาไม่ได้แต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงสลระราชสมบัติเนี่ยนะบอกบทว่าเกวลังแปลว่าสิ้นเชิงอธิบายว่าเรานั้นสละตำหนักสนมนางสนมจนหมดสิ้นสละแผ่นดินที่มีมหาสมุทรเป็นที่สุดด้วยประสงค์จะบวชไม่คิดถึงอะไรอะไรเพราะเหตุแห่งโพธิยานอย่างเดียวว่าเราสามารถบรรลุสัมมาสามัมโพธิยาน ด้วยอาการบวชอย่างนี้มันถ้าไม่บวชแล้วบรรลุได้ยังไงล่ะก็อาศัยการบวชนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บรรลุด้วยเพศของนักบวชเนี่ยนะอันถ้าหากว่ารอเป็นพระรอชาติสุดท้ายหรือค่อยบวชนะก็ต้องสะสมอัธยาศัยอันนี้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เกิดความเกาะ เ, เ, เกี่ยวในสิ่งเหล่านั้นแม้แต่น้อยนะไม่เกาะเกี่ยวในสิ่งเหล่านั้นคืออะไรคือญาติยศทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะ บอกว่าตัสมาเพราะว่าอธิบายว่าเราจะเกลียดพระราชมารดาพระบิดายศักดิ์อันยิ่งใหญ่และราชสมบัติก็หามิได้เรารักทั้งนั้นสรุปว่าเรารักมากแต่แต่ใครเรียกว่าแอลรักนี่ก็ถูกกันนะฟังแล้วปลื้มเลยนะแต่บอกพอมีคําว่าแต่เข้ามานี่แปลว่าถูกปฏิเสธเรียบร้อยแล้วแต่พระสัพพัญยุตยานเท่านั้นเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่า เพราะฉะนั้นเราจิงสละราชเจึงสละราชสมบัติกับพระมารดาเป็นต้นเหล่านั้นด้วยประการอย่างนี้เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างเสด็จออกบวชยุทธทิฏฐิละกุมารพระกนิษฐาของพระโพธิสัตว์นั้นก็ถวายบังคมพระชนกทรงขออนุญาตบวชติดตามพระโพธิสัตว์พี่ชายออกบวชน้องคนเล็กขอบวชตามกริย์ทั้งสองก็ออกจากพระนครรับสั่งให้มหาชนกลับ เสด็จเข้าไปยังป่าหิมวันสร้างอาสมบทที่น่าพอใจบวชเป็นฤาษียังชาญและอภิญญาให้เกิดเนี่ยนะก็บวชเป็นฤาษีทำชาญอภิญญาให้เกิดเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยรากไม้รากไรเนาะกินได้มั้งกลมเผือกมันเนี่ยนะกลมเผือกกลมมันทั้งหมดก็กลมรากไม้เนี่ยไม่ใช่ท่านไปกินรากต้นขนุนต้นมะละกอไม่ใช่นะหมายก็ว่าพวกเผือกพวกมันก็เรียกว่ารากไม้พลไม้ก็รู้กันนะนะในป่า จนตลอดชีวิตและก็เสด็จไปสู่พรหมโลกอย่างที่พระองค์ตรัสว่ากุมารทั้งสองคือยุยทธันชยะและยุทธิทิละละพระมารดาพระบิดาตัดความข้องของมัจจุราชออกบวชแล้วเนี่ยนะตัดความเกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็ละเหตุแห่งความตายออกบวชคําว่าที่บอกว่าตัดความข้องข้องด้วยอำนาจอะไรข้องด้วยอํานาจราคะ ตัดอำนาจค่องด้วยโทสะตัดอำนาจความคล่องด้วยโมหะเนี่ยนะก็คือตัดราคะโทสะโมหะเพราะว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยนะเป็นเหตุร่วมกันกับมัจจุมานเสร็จแล้วก็ตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยการข่มใจข่มราคะข่มโทสะข่มโมหะแล้วออกบวชเพราะผู้ที่ยังเกลือกลั้วด้วยราคะโทสะและโมหะราคะโทสะโมหะเป็นมูลของวะตะัตต์เนี่ยนะ เป็นมูลของวัตตะทั้งหมดก็ตัดมูลเหล่านี้สั่งสมอุปนิสัยเพื่อให้อริยมรรคเกิดจากการศึกษาตรงนี้เห็นว่าอาริยมรรคเกิดนั้นน่ะอริยมรรคที่จะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอุปนิสัยไม่มีการสั่งสมมาหลายคนพอมาฟังตรงนี้ก็เศร้าใจถ้าเราไม่เคยสั่งสมละ่ะถ้าเราไม่เคยสั่งสมละ่ะเราก็ไม่ได้บรรลุโรคเอาแล้วทําไมไม่เริ่มคิดสั่งสมตั้งแต่บัดนี้ละ่ะ มัวคอยอะไรอยู่ตอนนี้ก็เริ่มสังสมได้แล้วสังสมอุปนิสัยสังสมอัธยาศัยเพื่อการตรัสรู้สรุปในเรื่องนี้ว่าพระมารดาพระบิดาในครั้งนั้นก็คือมหาราชในตระกูลครั้งนีนะ้ก็คือพ่อก็คือพ่อแม่ก็คือแม่นั่นแหละพระยุทธิธิลกุมารก็คือพระอนนทถระเนี่ยนะพี่ออกบวชนอกก้องออกบวชตามเนี่ยนะกัน คือคือปกติแล้วเป็นคู่ที่มีความรักมีการผูกพันกันมากจะเกิดเป็นนกเป็นเนื้อเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นอะไรก็มีความรักความผูกพันกันโดยมากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงเป็นอัคราอุปถาอุปถาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะว่าเป็นผู้ที่คอยรับใช้พระโพธิสัตว์มาไม่ใช่ชาติเดียวทั่รับใช้มาตลอดเนี่ยนะมีความรักมีความพักดีอย่างมั่นคง เพราะอย่าลืมว่าคนที่ได้ใกล้ชิดกับบัณฑิตนะอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตนะโดยเฉพาะอย่างบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าได้รู้จักจริต น, นิสัยของท่านโดยสมบูรณ์ใครที่จะไม่รักไม่ผูกพันเป็นต้นก็ไม่มีรอกเนี่ยนะถึงโจเองจะตั้งตนได้อะไรได้ก็ไม่ยอมขออะไรนะขอเป็นข้าขอรับใช้ตลอดไปดีกว่าเขาบอกว่าเศรษฐีบางคนเนี่ยนะอย่างในเมนธะเกษตีเนี่ยนายปุณณธาตเนี่ยนะ ยังไงก็บอกทั้งๆ ท, ที่ตัวเองเนี่ยปรารถนาะตําแหน่งอะไรก็ได้แต่ไม่เอาอขอขอเป็นทาส ต, ตลอดไปก็แล้วกันแต่ว่าเป็นทาสพิเศษอีกเหมือนกันเนี่ยนะเป็นทาสที่เจ้านายไว้วางใจทุกประการไม่ะนะก็เรียกว่าเป็นทาสก็จริงแต่ว่ากินตําแหน่งเหมือนกับลูกเห็นไหมพระนนทก็เหมือนกันเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่รับใช้พระพุทธเจ้ามาหลายชาติด้วยกันถ้าชาติท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เป็นอุปถากเนี่ยนะก็เป็นอุปถากแต่ว่าโดยมากก็เป็นคนที่คอยบํารุง ยุทธัญชยะก็คือพระโลกกนาตของเราสรุปว่าการปฏิบัติของท่านยุทธัญชัยเนี่ยนะยุทธัญชยะเป็นบารมีทั้งสิอะไรบ้างคือการบริจาคมหาทานก่อนที่ท่านจะบวชในครั้งนั้นแล้วก็การสละราชสมบัติเป็นต้นของพระโพธิสัตว์นั่นเป็นทานบารมีก็คิดดูนะว่า ผู้ที่จะบรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นจะต้องมีมหาบริจาคมหาบริจาคนั้นคือสละราชสมบัติจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์นี่คือคนที่เก่งมากๆเลยนะอย่างบางคนเนี่ยพอเป็นพระราชสมบัติถูกเขาปฏิวัติสั่งปลดกับสละแบบได้บุญเนี่ยไหนดีกว่ากันเชื่อไหมถ้าสละแบบถูกปลดคนจะยอมสละออกบวชไม่ยอม สละแบบเรียกว่าถูกโค่นบัลลังก์เนี่ยนะอันนี้ทำใจได้เพราะมันยอมจำนวนด้วยเหตุผลทั่ ว, วไปก็ตัวเองหมดอำนาจหมดบุญเรียกว่าหมดหมดหม ด, หมดบุญน่ะนะแต่แต่ของพระโพธิสัตว์ไม่ก่อนที่จะถูกคนอื่นปฏิวัติเนี่ยนะท่านได้บุญไปเรียบร้อยแล้วคือเป็นคนที่คิดทุกอย่างได้บุญหมดเลยเนี่ยนะจากทุกเรื่องที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องท่านได้รัพย์หมดเลยได้อริยซั์เพิ่มพูนอริยซั์ให้แก่พระองค์ท่านได้มากมาย การสำรวมกายวาจาของพระองค์เป็นศีลบารมีเพราะว่าศีลก็คือกายและวาจานั่นเองการบรรประชาและการบันลุชาเป็นเนคข ม, มบารมีก็คือเนคข ม, มคืออะไรก็คือการบวชเน้นก็เน้นคุณคือศีลนั่นแหละบวชก็คือศีลนั่นแหละก็บวชแล้วก็เจริญเนคขมเนี่ยนะโดยเฉพาะบันลุชาชาญก็คือเนคข ม, ม อันนี้ก็เป็นเนคขมมะบา ร, รมีปัญญาเริ่มต้นด้วยการมณสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงหยาดน้าค้างบนยอดหญ้าจากการเห็นหยาดน้าค้างบนยอดหญ้าแล้วมณสิการสรรับผ้าสังขารว่าไม่เที่ยงอันนั้นก็เป็นปัญญาของท่านท่านพอเห็นความไม่เที่ยงท่านมีกรรมสกตาปัญญาคนบางคนเห็นความไม่เที่ยงอุเฉท ท, ทิฐิเข้ามาเลยพอเห็นว่าไม่เที่ยงเออเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเพราะฉะนั้น สิ่งที่เรามีอยู่ควรจะบริโภคให้เต็มที่เพราะอีกหน่อยเราก็ตายแล้วอ ย, นะอย่างนะอย่างพบางคนหรือไม่ใช่น้อยเลยนะเพรเห็นว่าเออเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นเมาไม่สังเลยนะเมาดื่มน้ำจันตลอดเนี่ยนะไม่ไม่ก็วายทั้งวายทั้งเบียร์สารพัดเนี่ยเข็นเอามาดื่มเท่าไหนไหนก็จะตายแล้วก็รีดดื่มให้มันหมดให้มันผ่านคอไปให้หมดเลยเลยนะนะฉะนั้นดื่มมือหนึ่งหมดไปหลายแสนเนี่ยนะ บางมือนี่หมดไปล้านกว่าเนี่ยนะเพื่อจะ ด, ดื่มเหล้าดื่มวน์ดื่มอะไรไปเนี่ยนะก็อย่างว่าก็คิดว่าตัวเองจะใช้ให้มันหมดผลให้มันเกลี้ยงเลยนะไม่ต้องไปใช้อีกแล้วต่อไปชาติหน้าเนะนะี่ยขอใช้ชาตินี้ให้มันหมดเกลี้ยงเลยเพราะพูดนี้แต่ว่าท่านก็เห็นว่าเมื่อมนัสการเห็นความไม่เที่ยงท่านรีบที่จะบำเพ็ญบุญสร้างคุณงามความดี เพราะมีกรรมสกตาเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วน้อมไปเพื่อกรรมสกตาแล้วไปเจริญศีลเจริญเนคคัมมะเจริญจนถึงได้อภิน ญ, ญาที่สุดของปัญญาเนี่ยนะเทนี้อีกขณะเดียวกันเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีปัญญารู้ว่าอะไรมีอุปการะและไม่มีอุปการะท่านรู้ไนหะว่าอะไรเป็นอุปการะอะไรไม่เป็นอุปการะหมายคำว่าอะไรเป็นอุปการะแห่งการให้ทาน อย่างเช่นเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยใครเนี่ยช่วยให้เราให้ทานได้สําเร็จใครเนี่ยมาว่าเกิดมาคา้านการให้อย่างเดียวเอออย่าให้เลยให้ให้มันน้อยๆหน่อยอย่าให้เลยที่นี่ไปให้ที่อื่นดีกว่าสรุป ช, ชักชวนจนไม่ต้องให้กันแล้วแล้วใครเนี่ยส่งเสริมเออให้ดีแล้วเมื่อไหรล่ล่ะบอกด้วยนะช่วย เ, ออเดี๋ยวจะไปช่วยอย่างนั้นเป็นต้นก็มีคนที่มีอุปการะต่อการให้กับคนที่ไม่เป็นอุปการะต่อการให้บางคนเป็นอุปการะต่อการทําให้รักษาศีลบางคนไม่เป็นอุปการะต่อการ รักษาศีลบางคนชวนศีลขาดอย่างเดียวบางคนบอกรักษาศีลเนี่ยศีลเนี่ยดีเหลือเกินรักษาศีลไปเถอะทาไม่ได้ก็ขออนุโมทนาด้วยนะขอให้เพิ่มพูนใ้ตลอดสายแต่นะช่วยรักษามีจะอะไรจะให้ช่วยบางก็บอกนะเป็นต้นเขาก็ยินดีแบบนี้บางคนอู้จะเข่งรัดไปทำอะไรมันวุ่นวายมันยุคนี้สมัยนี้ก็อ้างเหตุผลจนไม่ต้องรักษา ก็มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันว่าคนที่มีอุปการะต่อทานคนที่มีอุปการะต่อศีลบางคนก็อุปการะต่อเนคขม่าวอนุโมทนาส่งเสริมเมื่อไหร่จะบวชถามอยู่นั่นแหละถามจนได้บวชก็มีนะบางคนก็โอ๊ยบวชไปทำไมเนี่ยไม่มีทางไปเรื่อไงไม่มีทางทางรรมาหากินแล้วยังไงถึงจะไปบวชบางคนก็ขวางการบวชประเภทเชนิทิวะเต็มนั้นคนเนี่ยนะคนที่เราเกี่ยวข้องบางคนก็มีอุปการะต่อการบําเพ็ญบุญ บางคนไม่เป็นอุปการะต่อการบําเพ็ญบุญเกิดมาค้านเรื่องบุญโดยตรงเลยนะส่งเสริมแต่เรื่องบาปบางคนเกิดมาค้านเรื่องบาปส่งเสริมแต่บุญแล้วเราจะเลือกคบคนเช่นใดละ่ะเนี่ยนะอันนี้ต้องเป็นปัญญาต้องมีปัญญาสรุปก็คือมงคลข้อต้นนั่นแหละไม่คบคนผ่านคบบัณฑิตก็มีปัญญาแยกแยะว่าคบคนเช่นใดแล้วผลจะเป็นอย่างไรครบคนดีแล้วผลจะมาอย่างไรเกี่ยวข้องกับใครที่สุดแห่งการ ค้อหาสมาคมแล้วอยู่ที่ใดเป็นอย่างไรก็จำแนกแยกแยะได้อย่างตลอดสายอันนั้นเป็นปัญญาอันนี้ก็เป็นการสั่งสมปัญญาบารมีเนี่ยนะสะสมเหตุสะสมรู้ฐานะอาถานะเป็นต้น